ใเขตแดนแห่งนครราชครึ่มีบ้านพระหมู่หนึ่งนายบ้านชื่อกปิละมีบุตรคนหนึ่งชื่อปิภริเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากัสปะตามชื่อโคตคือกัสปะโคตปิผลิมานพมีพันยาคนหนึ่งชื่อพัทธกาปิลาณีทั้งสองแม้แต่งงานกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างสามีพันยาคู่อื่นๆแต่อยู่ด้วยกันอย่างพี่น้อง เมื่อมานดาบิดาของปิผลิมานพสิ้นชีพแล้วสามีพัญญาทั้งสองเห็นว่าผู้อยู่ครองเรือนต้องคอยรับบาปเพราะการงานที่ผู้อื่นทำไม่ดีกล่าวคือต้องคอยรับผิดชอบมิจิตเบื่อหน่ายเนื่องจากบารมีอันท่านทั้งสองสังสมมาดีแล้วคอยกระตุ้นเตือนชักนำจึงชวนกันละทรับสมบัติออกบวชจำศีลวันหนึ่งปิผลิได้พบพระาศาสดาประทับอยู่ที่ใต้ร่มไทร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 ได้สำเร็จอ ร, รหัตผลในวันที่เจ็ดท่านเป็นผู้มีปฏิปทาขัดเกลวสันโดษได้รับยกย่องจากพระาศาสดาในคุณธรรมนี้ตรัสสอนให้พิสุ์ทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างดังเรื่องราวต่อไปนี้ครั้งหนึ่ง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 พระมหากระสปะทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ถือบังสุกุลจีวรถือบินทบาทและการอยู่ป่าเป็นต้นมานานแล้วและกล่าวสรรเสริญการประพฤติเช่นนั้นอยู่เสมอพระาศาสดาตรัสถามว่ากระส ป, ปะเธอเห็นอํานาจประโยชน์อย่างไรจึงประพฤติเช่นนั้นข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ประพฤติเช่นนั้นเพราะเห็นประโยชน์สองประการคือเพื่ออยู่เป็นสุขของข้าพระองค์เองในปัจจุบันประการหนึ่ง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 ที่เวรุวันนี้เองวันหนึ่งพระมาหากัสปะเข้าเฝ้าพระศาสดารับสั่งให้ท่านโอวาทสั่งสอนพิสุท่านคราบทูนว่าบัดนี้พิสุทั้งหลายเป็นคนว่ายากประกอบด้วยธรรมอันทาให้เป็นคนว่ายากมีความมากๆในลาบเป็นต้นพระศาสดาตรัสว่ากิงทีเดียวกัสปะจริงอย่างที่เธอกล่าวเมื่อก่อนนี้พิสุที่เป็นเถระมีการอยู่ป่าถือธุดงอบินทบาท บางสกุลกิวรนท่าสามผืนมีความปราถนาน้อยสันโดษพอใจในวิเวกไม่คลุกครีในหมู่คณะมีความเพียรสม่ำเสมอและสรนเสริญคุณความเป็นผู้อยู่ป่าและสันโดษเป็นต้นนั้นพิสูจเช่นนั้นย่อมได้รับการยกย่องจากพิสูจน์ทั้งหลายแม้ที่เป็นเถระแต่มาบัดนี้พิสูจน์ทั้งหลายที่เป็นเถระพากันทอดทิ้งคุณธรรมอันนั้นเสีย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 สรรเสริญยกย่องว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้เจริญดูกรกษปะเมื่อจะกล่าวโดยชอบในบัทนี้ก็ควรจะกล่าวว่า mm hmm. เพื่อนพรหมจันทร์ถูกประทุสร้ายโดยอุปทัะภ์จากเพื่อนพรหมจันทร์นั่นเองอีกคราวหนึ่งพระาศาสดาประทับณสาวัตถีตรัสยกย่องพระมหากษาปะว่า มีวิหารธรรมเสมอด้วยพระองค์คือพระองค์เองจำลองอยู่สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าสู่ฌานสี่และฌานแปดได้อย่างไรมหากรสปะก็ทําได้อย่างนั้นพระองค์ทรงสามารถเรื่องการแสดงฤทธิ์ต่างๆทรงระลึกชาติได้มีทิพยโสดทิพจักสุอย่างไรทรงสิ้นอาสวะอย่างไรพระมหากรสปะก็สามารถอย่างนั้นฉะนั้นในบางครั้ง จึงทรงเอาสังขติของพระมหากระสปะมาทรงใช้เองและประทานสังขติของพระองค์แก่พระมหากระสปะอีกครั้งหนึ่งเมื่อพักอยู่ณเคตวนารามเมืองสาวัตถีวันหนึ่งพระอานนท์อาราธนาพระมหากระสปะให้โอววาดพิษุณีณสำนักพิษุณีท่านไปฏิเสธถึงสองครั้งเพราะท่านชอบความสงัดไม่ต้องการคลุกคลีด้วยหมู่คณะท่านบอกพระอานนท์ว่าไปเถิดอานนท์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 ขอท่านได้โปรดยกโทษเถิดผู้หญิงมักเป็นคนเบาความเสมอพระมหากษัตริยนั้นมีความสนิทสนมกับพระอานนุ์เป็นพิเศษท่านมีเมตตากรุณาต่อพระอา น, นุ์พระหนึ่งบุตรของท่านแม้พระอานนุ์จะมีอายุล่วงมัชชิมวัยมีเกษาหงอกแล้วท่านก็ยังเรียกพระอานนุ์โดยกุมารกะวาทะหรือเรียกว่าเด็กน้อยอยู่เสมอบังเกิดพิษุนีรูปหนึ่งชื่อ ภูรานันธาได้ยินคํานั้นเข้าจึงติเตียนท่านว่าเรียพระอานโนทโดยวาทะอันไม่สมควรเพราะพระอานนทเป็นเวเทหามุนีเธอติเตียนพระมหากระสปะว่าเหมือนเคยเป็นเดีรถีมาก่อนพระมหากระสปะทราบความนั้นจึงเล่าเรื่องแต่เบื้องหลังของท่านให้พระอนนานนทฟังว่าท่านคิดอย่างไรจึงบวชได้พบพระาศาสดาอย่างไรโดยในดังนี้อานนท คิดสุนีชื่อถุรนันธาได้กล่าวคำออกไปโดยไม่ได้พิจารณาแล้วอานุนจำเดิมแต่ข้าพเจ้าปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกบวชประพฤติตนเป็นอนาคาริกามุนีไม่ได้อุทิศศาสดาองค์อื่นเลยนอกจากพระผู้มีพระภาคอารหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าเมื่อก่อนข้าพเจ้าอยู่ครองเลือนมีความคิดเกิดขึ้นมาว่าคราววาเป็นทางแคบ เป็นทางมาแห่งทุลีคือกิเลสแต่บรรพชาเป็นทางว่างผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์สิ้นเชิงหมือนสังที่ขัดแล้วนั้นทําได้ยากฉะไนหนอเราพึงออกจากเรือนประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือนต่อมาเขาไปแก้าได้เอาผ้าเก่าๆ เ, เป็นผ้าหม่มออกบวชอุทิศพระอรหันในโลกได้พบพระสาคยมุนีาศาสดาที่พระหุบปุตตะเจดี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 ถือเอาสาระสำคัญให้ได้สต้องเป็นผู้ไม่ละไกคตาสติคือพิจารณากายโดยความเป็นของไม่งามน่าเกลียดโสโครกอานนท์ขขาพระเจ้านั้นเป็นผู้มีหนี้บริโภคอาหารของชาวเมืองอยู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นพอวันที่แปดก็ได้บรรลุอรหัตผลอานนท์คราวหนึ่งภายใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเขาพเจ้าได้ปูสังฆาติของเาพระเจ้าทาเป็นสี่ชั้น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 สมัยหนึ่งณเชตวันวิหารพระมหากระสปะทูลถามพระศาสดาว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยเมื่อสิขาบทอย่างน้อยพิสุททั้งหลายดํารงอยู่ในอรหัตคุณมากแต่เมื่อสิขาบทบัญญัติมากขึ้นผู้ดํารงอยู่ในอรหัตคุณกลับน้อยลงพระศาสดาตรัสว่าดูกนกระสปะเมื่อสัตว์กําลังเสือ่อมสัตว์ธรรมกําลังอันตรธ า, านติขาบทแม้มาก ผู้ดลรงอยู่ในอรหัตคุณก็น้อยดูก่อนกศปะตราบใดที่สัตยธรรมปฏิรูปคือทำปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกสัตยธรรมแท้ก็ยังไม่อันตรธ า, านตราบนั้นเปรียบเหมือนเมื่อเงินปลอมยังไม่เกิดขึ้นเงินแท้ก็ยังไม่อันตรธ า, านดูก่อนกศปะอะไรอื่นเป็นต้นว่าปัทวีธาติหาทําให้พระสัตยธรรมเสื่อมได้ไหม แต่สิ่งที่ทำให้พระสัตยธรรมเสื่อมคือโมคะบรุษที่เกิดขึ้นในศาสนานี้เองกส ป, ปะสิ่งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่อความอันตราฐานแห่งพระสัต ธ, ธรรมมีอยู่ห้าประการคือบริษัท ส, สีไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาและในสมาธิส่วนธรรมอีกห้าประการซึ่งมีในตรงกันข้ามนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความมั่นคง แห่งพระสัตย ธ, ธรรมโดยแท้คราวหนึ่งพระมหากัสสปะพักอยู่ที่ถ้ำปิริปริเข้าฌานสมาบัติอยู่เจ็ดวันออกจากฌานในวันที่เจ็ดตรวจดูที่พิขาจาร์ด้วยทิพจักสุเพื่อสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ให้ได้บุญมากเห็นหญิงคนหนึ่งผู้เฝ้านาข้าวสาลีเก็บรวงข้าวสาลีแล้วทําเข้าวตอกอยู่ท่านพิจารณาว่า หญิงนี้มีศรัทธาหรือไม่หนอทราบว่ามีศรัทธาและเมื่อให้อาหารแก่เราแล้วจักได้สมบัติมากดังนี้แล้วคมจีวอนถือบาทไปยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลีกุลธิดาเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสทราบส้านไปด้วยปิติห้าประการขอร้องพระเถระให้ยืนรอยอยู่ก่อนรีบไปนํเข้าวตอกมาโดยเร็วใส่ลงในบาทรของพระเถระแล้วไหว้ด้วยเบญจางขาปิ์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 ยังได้สมบัติมากถึงปานนี้บัตรนี้เราไม่ควรประมาทเราควรปฏิบัติพระเถระเพื่อทําสมบัติของเราให้ถาวรคิดตรงนี้แล้วจึงนำไม้กวาดซึ่งทําด้วยทองไปกวาดบริเวณที่อยู่ของพระเถระตั้งน้ําใช้น้ําฉันไว้แล้วกลับสู่วิมานพระเถระเห็นบริเวณสะอาดเรียบร้อยและมีน้ําใช้น้ําฉันบริบูรณ์คิดว่าคงจะเป็นภิกษุหนุ่มหรือสามเณรมาทําไว้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 ขอได้โปรดให้ดีฉันทำสมบัติให้ถาวรเถิดพระาศาสดาประทับอยู่ในพระคันธูกุดีทรงสดับเสียงนั้นแล้วทรงแผ่พระศมีไปประทับนั่งตรัสอยู่เบื้องหน้าของเทพธิดาว่าเทพธิดาเอย้ยการสำรวมระวังเป็นหน้าที่ของกษัตริยบุตรของเราส่วนการกําหนดว่านี้เป็นประโยชน์ของเราแล้วทําบุญเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการบุญก็การทําบุญนั้น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 ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้ไม่ควรเพื่อบรุนิพพานไม่ควรบรุธรรมอันเป็นแดงเกษรรมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมส่วนผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตย่อมเป็นผู้ควรเพื่อตรัสรู้เพื่อพนันนิพพานเพื่อบรุธรรมเป็นแดงเกษรรมจากโยคะต่อจากนั้นพระสารีบุตรได้ถามพระมาหาปัสสะว่าด้วยเหตุเพียงเท่าใด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 เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดุกรากัสสะเธอจงกล่าวสอนพิสุทั้งหลายจงกระทำทำมีกถาแก่พิสุทั้งหลายเราหรือเธอพึงกล่าวสอนพิสุทั้งหลายเราหรือเธอพึงกระทำทำมีกถาแก่พิสุทั้งหลายท่านพระมหากระสปะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ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 ไม่มีฮิริไม่มีโอตตปะเป็นคนเกลียดคล้านปัญญาสามเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรดและการที่ไม่มีพิสุกล่าวสอนนี้เป็นความเสื่อมโทรมอย่างแน่แท้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลบางคนมีศรัทธามีฮิริมีโอตตปะมีความเพียรมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดวันหรือคืนของเขาที่ผ่านมา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 อีกครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเวรุวันกันตกะนิวาปะสถานเขตพระนครราชพฤก์ครั้งนั้นแลท่านพระมหากษัตริยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทแล้วนั่งนั่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกะละกษัตริยเธอจงกล่าวสอนพิสุททั้งหลาย ตจงกระทำธรมรมีคาถาแก่พิสุท์ทั้งหลายกระส ป, ปะเราหรือเธอพึ่งกล่าวสอนพิสุทธทั้งหลายเราหรือเธอพึงกระทําธรมรมีคาถาแก่พิสุททั้งหลายท่านพระมหากระส ป, ปะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพิสุทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับอนุสาสนีโดยเคารพดุกระกส ป, ปะก็เป็นความจริงอย่างนั้น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 และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษเป็นผู้สงัดจักมูและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจักมูเป็นผู้ไม่ทุกคลีด้วยมูและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่คุกคลีด้วยมูเป็นผู้ปารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปารบความเพียรพิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระย่อมมีมน์เธอให้นั่งด้วยคําว่ามาเถิดพิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองเนอ ใกลต่อการศึกษาแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านนั่งดุกะกะสปะเมื่อภิกษุทั้งหลายกระทามสการะอย่างนั้นภิกษุใหม่ๆพากันเห็นว่าทราบว่าภิกษุรูปที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ถือการเที่ยวบินธบดีเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลมเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรกีวรเป็นวัดเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย เป็นผู้สันโดษเป็นผู้ชอบสงงัดจากหมู่เป็นผู้ไม่พลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปารบความเพียรที่สุดทั้งหลายผู้เป็นเถระย่อมนิมนต์เธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดทิกษุที่สุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอใกล้ต่อการศึกษาแท้มาเถิดท่านนี้อสนะนิมนต์ท่านนั่งทิ่สุใหม่ๆเหล่านั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น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 เป็นผู้มีชื่อเสียงมียศได้กิวรนวินทบาทเสนาสนะและกีลานะปัจจัยเภสัตชบริขารพวกพิษุผู้เป็นเถระย่อมนิมนต์เธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดพิกษุพิสุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอใคร่ต่อเพื่อนสัพพมารีด้วยกันแทะมาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านนั่งดุ ก, กราคาส ป, ปะเมื่อพิสุทั้งหลายกระทำสการะอย่างนั้น ภิกษุใหม่ๆพากันคิดว่าทราบว่าภิกษุที่มีชื่อเสียงมียศได้จีวรบินทบาทเสนาสะนะและกิฬานปัจจัยเพสัตบริขารพวกภิกษุผู้เป็นเถระพากันมิมนเธอให้นั่งด้วยคาว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนาใคร่ต่อเพื่อนสัพพมจารีด้วยกันแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสะนะนิมนต์ท่านนั่ง